แนะนำบทอัลกอฎบทอัลกอฎเป็นบทมักกียะห์มี 5 องค์การซึ่งเริ่มกล่าวถึงการประทานคัมภีร์อัลกุรอานลงมาและได้กล่าวถึงความประเสริฐของคืนอัลกอฎที่มีเหนือกว่าวันอื่นๆและเดือนอื่นๆโดยที่ในคืนนั้นมีรัศมีแสงสว่างและความกระจ่างแจ้งอันศักดิ์สิทธิ์และกลิ่นไอแห่งความเมตตาได้แผ่คลุมไปยังดวงบ่าวของพระองค์ผู้ศรัทธา และเป็นการให้เกียรติในคืนแห่งการประทานอัลกุรอานนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการลงมาของบรรดามะลาอิกะห์ผู้ทรงคุณธรรมจนกระทั่งรุ่งอรุณโอ้มันช่างเป็นคืนที่ยิ่งใหญ่เสียจริงๆเป็นคืนที่ดียิ่งณที่อัลเลาะห์เพียงคืนเดียวดีกว่า 1,000 เดือนบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยพระนามของอัลเลาะห์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออิน انزلناه في ليله القدر وما ادراك ما ليله القدر ليله القدر خير من 1000 شهر คืนอันกอดัดนั้นดียิ่งกว่า 1,000 เดือนจะนซซาลุลมะลาอิกะฮ์วัรรูห์ฟีฮาบิอัซนิร็อบบิฮิมมินกุลลอัมรบรรดามาลาอิกะฮ์และอรวะห์จะลงมาในคืนนั้นโดยอนุมัติแห่งพระผู้วิบาลของพวกเขาเนื่องจากกิจการทุกอย่างซะลามุนฮิยยะฮัตตามาตุลออัลฟัจรคืนนั้นมีความสันติจนกระทั่งรุ่งอรุญ